ก็กลายเป็นว่ามีความสุขนะไอ้น้ําที่เช็ดก้นเด็กนี่ก็มันก็มาถูกแกแกก็เอา้าก็กลายเป็นว่ามีความสุขแล้วก็ได้ใกล้ชิดสนิท ก, กับคนอินเดียที่เป็นแม่แล้วตอนหลังเนี่ยตัวก็โส ม, มากขึ้เรื่อยๆ เ, เนี่ยเวลาไปเจอขอทานนี่ขอทานปกติเจอคนไทยเนี่ยต้องไถ่เงินต้องขอเงินบอกว่าขอทานนี่เห็นแกเป็นเพื่อนเลยแล้วก็ซื้อน้ําชาให้กินด้วย